ที่ไปวางสิ้นระเลิกเมื่อวันที่สิบเก้าเสิบเก้าธันวาคมห้าแปดเวลาสิบสุนทรนอหตรงพ่อได้แสดงทรรมในกอนก่อนวันที่สิบเก้าเย็นวันที่สิบแปดเขาก็ถวายถวายจตุปปัจจัยกันเทศมาสองเหมื่น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 เมื่อเราประพฤติประหลาประลวงในสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขามาทําให้กับเราเราโกหกเขาเขามาโกหกเราเราดื่มสุราขาดสติเป็นบ้าฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ประพฤติประหลาประลวงในสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะขาดสตินี่แหละสินข้อที่ห้าในเป็นสินเพดานไอเป็นสิน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 สิทธ์ฆ่าคนบ้างพยายามฆ่าคนบ้างเบียดเปลี่ยนทุบตรีร่างกายของคนบ้างฆ่าสัตว์บ้างยังนี้เป็นต้นอันนี้คื อ, คอผิดศีลข้อที่หนึ่งละ่ะศีลข้อที่หนึ่งคือห้ามฆ่าทำร้ายร่างกายทำร้ายทำลายคนอื่นเขาศีลข้อที่หนึ่งอธทินนาทานจะุบแล้วคือคือคนที่เข้าคุกต้อเข้าตารางนะ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 นั่นถือเรื่องใจเป็นใหญ่นะอา้าตอนนี้ไปฟังพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอเน้อตอนนี้นั่นนะชนีสมชายมันร้องรบกวนเสียสมาธิในการฟังนะวันนี้สมชายสมชายอะไรมันคงอยากจะร้องเพลงเต็มทนมั้งแล้วก็ถ้าสมชายร้องอย่างนี้ตัวมากมันจะอุ่นนะถ้ามันหนาวมาหลายวันแล้ว สมชายบอกเป็นอุตุประจำวัดนะ <c oughs> รับพอในเสน่น้า